พระไตรปิฎกเล่มที่ส2บสองวิตักกสันทานะสูตรว่าด้วยสันฐานแห่งวิตกอุบายกำจัดอากุศลละวิตกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสเรื่องนี้ว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ผขวนควายในอาทิจิตควรมณสิการถึงนิมิตห้าประการนี้ตามเวลาอันสมควรอาทิจิตหมายถึงจิตมีสมาบัติ8อันเป็นพื้นฐานแห่งวิปัสสนาเป็นจิตที่ยิ่งกว่าจิตที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจกุศ ล, ลกรรมบดสิประการนิมิตห้าประการอะไรบ้างคือ เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้อาศัยนิมิตใดแล้วมณสิกานิมิตใดอยู่วิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอากุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้นภิกษุนั้นควรมณสิกานิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้น เมื่อเธอมานสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอากุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างได้วิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ <tone> เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบ เป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้เปรียบช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้ผู้ชำนาญใช้ลิมอันเล็กตอกโยกถอนลิ่มอันใหญ่ออกได้แม้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายหากเมื่อภิกษุนั้นบรรณสิกานิมิตอื่น ซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นวิตกอันเป็นบาปอากุศลยังเกิดขึ้นอีกนั่นแหลภิกษุนั้นควรพิจารณาโทษแห่งวิตตกเหล่านั้นว่าวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่มีโทษแม้อย่างนี้วิตตกเหล่านี้ล้วนแต่มีทุกข์เป็นวิบากแม้อย่างนี้ เมื่อเธอพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่เธอยอมละวิตกอันเป็นบาปอากุศลนั้นได้วิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตยอมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้เปรียบหญิงสาวหรือชายหนุ่มที่ชอบแต่งตัว มีผู้นำซากงูซากสุนัขหรือซากศพมนุษย์มาผูกไว้ที่คอย่อมรู้สึกอึดอัดประอาและรังเกียจแม้ฉันใดก็ฉั้นนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายหากเมื่อภิกษุนั้นพิจารณาเห็นโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลก็ยังเกิดขึ้นภิกษุนั้น ไม่ควรระลึกถึงไม่ควรมณสิการวิตกเหล่านั้นเมื่อเธอไม่ระลึกถึงไม่มณสิการวิตกเหล่านั้นอยู่เธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปากอกุศลนั้นได้วิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุดขึ้น มีสมาธิในภายในโดยแท้เปรียบคนมีตาดีไม่ต้องการที่จะเห็นรูปที่ผ่านมาเขาควรหลับตาหรือเหลียวไปทางอื่นแม้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายหากเมื่อภิกษุนั้นไม่ระลึกถึงไม่มานาสิการวิตกเหล่านั้นวิตกอันเป็นบาปอากุศล ซึ่งประกอบด้วยฉันทะหรือโทสะหรือโมหะก็ยังเกิดขึ้นอีกภิกษุนั้นควรมณสิการวิตตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกเหล่านั้นวิตกะสังขารสันฐานหมายถึงที่ตั้งแห่งเหตุของวิตกเมื่อเธอมณสิการวิตตกะสังขารสันฐานแห่งวิตตกเหล่านั้นเธอย่อมละวิตก อันเป็นบาปอากุศล น, นั้นได้วิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นยอมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตยอมตั้งมัน่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้เรียบคนเดินเร็วเขาจะพึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะรีบเดินทำไมถ้ากะไร เราควรค่อยๆเดินเขาก็ค่อยๆเดินเขาจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะค่อยๆเดินทำไมถ้ากะไรเราควรยืนเขาก็ยืนเขาจะพึงมีความคิดอย่างนี้อีกว่าเราจะยืนอยู่ทำไมถ้ากะไรเราควรนั่งเขาจึงนั่งเขาจะพึงมีความคิดอย่างนี้อีกว่าเราจะนั่งอยู่ทำไมถ้ากะไร เราควรนอนเขาก็นอนคนผู้นั้นเว้นอิริยาบถหยาบๆแล้วพึงใช้อิริยาบถละเอียดละเอียดแม้ฉั้นใดก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายหากเมื่อภิกษุนั้นมนาสิการถึงวิตกสังขารสันฐานแห่งวิตกแม้เหล่านั้นวิตกอันเป็นบาปอากุศล ซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างยังเกิดขึ้นอีกภิกษุนั้นควรกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มขันจิตทาจิตให้เร่าร้อนเมื่อเธอทำเช่นนั้นเธอย่อมละวิตกอันเป็นบากอากุศนั้นนั้นได้วิตกอันเป็นบากอากุศเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตยอมตั้งมัน่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้เปรียบคนผู้มีกำลังมากจับคนผู้มีกำลังน้อยกว่าได้แล้วบีบกดเข็นที่ศีรษะคอหรือก้านคอไว้ให้แน่นภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาศัยนิมิตใดแล้วมณสิการนิมิตใดวิตกอันเป็นบาปอากุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้นเมื่อเธอมณสิกานิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นเธอย่อมละวิตกนันนั้นได้วิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้น ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้เมื่อภิกษุนั้นพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่เธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอากุศลนั้นๆนได้วิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้น ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบมีสมาธิในาภายในโดยแท้เมื่อพิกษุนั้นไม่ระลึกถึงไม่มนสิการวิตกเหล่านั้นเธอย่อมละวิตกนั้นได้วิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบมีสมาธิในภายใ น, นโดยแท้ เมื่อพิกษุนั้นมนาสิการวิตต ก, กสังคารสันฐานแห่งวิตกเหล่านั้นเธอย่อมลัวิตกนั้นได้วิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบมีสมาธิในภายในโดยแท้เมื่อภิกษุนั้นกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มขั้นจิต ทำจิตให้เร่าร้อนเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างเธอย่อมละวิตกเหล่านั้นได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะแห่งจิตเป็นหนึ่ง ขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ชํานาญในวิถีทางแห่งวิตกเธอหวังวิตกใดก็จะตรึกถึงวิตกนั้นได้ไม่หวังวิตกใดก็จะไม่ตรึกถึงวิตกนั้นได้ตัดตัณหาได้แล้วคลายสังย่งยนดได้แล้ว ทำที่สุดทุกได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพาสิทธ์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจบวิตกสันรทานสูตรจากพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสอง